ا ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد بعد الرضا وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد ه ورسوله อา س له الله ب ا ل ه د ا ودين الحق ل ي ُ ز ه ر ه على د ال ي ن كله ولو كله الكافرون لقد قرّلات على في كتاب الكريم ب ا ل ع ُ ز ب ا ل ل ه مَشْرِتَانِ ر ج ي م ب, ي ب أ ا ي س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م هل أتاك حديث الغاشية وجهه ي و م ئ د خاشعة عاملة ناصبة تسنار ل حامية تسقى من عين آنية ل ม่ใช่ لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يغني من شور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับสัทยาชนพี่น้องที่รักยิง่งครับเราก็มาพูดคุยกันต่อในส่วนของอัถาที่บายอัลกุรอานซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนของอายะที่88ในอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือสุร์อ Al ัลกอร์เชีย อเลกอร์เซียซึ่งเป็นสุรอมกิยาคือถูกประทานมาก่อนท่านอบีมูฮัมหมัดสุลต่านของอเลสเซนจะทําการอพยพซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของสุรอมักกิยาก็จะกล่าวถึงสภาพของวนซินโนของการตอบแทนของการไต่สวนนั่นเองครับผมเซอกอร์เซียนี้มีอยู่ทั้งหมด26อายะนะครับก่อนหน้ากอร์เซียก็คือสุรัตุอัลอลาแล้วก็หลังจากนี้ก็คือสุรัตุฟัดซึ่งเราได้พูดคุยกันจบไปแล้ว อัลกออเชียอะไรคือัลกอเชียอินชาอัลลอ์ครับในสุร์อัลกอชียผมจะลองเปลี่ยนรูปแบบการพูดคุยนะครับผมอาจจะพูดคุยให้รวบรัดขึ้นเพราะว่าพี่น้องบางท่านก็ทักมาว่าบางทีอ่จับซีสุระอ์ยาวไปแล้วก็กลับมาฟังที่หลังบางทีก็เหมือนจะเหนื่อยหน่อยหนึ่งอ่ะก็ลองดูครับในสุรานี้ก็จะลองคุยแบบอ่ารวบรัดนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็อินชาอัลลอ์ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้รับสาระ อย่างน้อยที่สุดก็ตามที่ควรนะครับผมอินชาลเราก็หวังความเมตตาจากพกระลอสสุบฮานุวัตราให้เค อ, อสนี้ของเราก็อยู่ในความเมตตาของพระองค์แล้วก็อยู่ในการช่างที่ดีงามของพวกเราครับผมสุรตุลกอรชียะเนี่ยความหมายก็คือปกคุมปกคุมเหมือนกับวันเลลีไดยักชาที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วที่พระลอสซาบานเตยามข้ามคืนเมื่อมันมาปกคุมก็คือมาปกคุมแบบสนิทแน่นนะครับผมซึ่ง อัลกออซิยาเนี่ยสาเหตุที่ถูกเรียกเป็นสุรัตตุลกออซิยาก็อยู่ในอายะห์แรกเลยกออซิยาที่ถูกปกคุมโดยที่ไม่สาสามารถหลีกหนีไปไหได้ซึ่งกออซิยาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของวันเกียราา์มั้งถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับสุรร๊อก่อนหน้า น, นี้คือสุรัตตุละอะละพวกลร๊อกก็พูดถึงผู้ที่ใครควรกับผู้ที่ไม่ใครควรวายตจันนบัลอัชกะเลดีเยสลันนารอลกุบบรอทุมลาใหมุตุฟีฮะวลายใหยา เปอาฟแลมันจะซักก้วเปิดะกรสมาร์ปีเพิ่สั้แล้วก็ในสุรทรทูลอ้าล้วซึ่งชาลลอร์เราจะได้พูดคุยกันในวาระต่อไปด้วยความเมตตาของผู้อัลลอฮ์พวกเราเราก็ได้พูดถึงผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะคิดก็จะไข้ควรในขณะที่คนที่ชั่วร้ายนั้นคนที่ไปเสร็จพระเจ้าคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อพระองค์นั้นเขาก็จะออกห่างจากการไข้ควรสิ่งที่เขาควรจะเห็นคือเขาเลือกที่จะดูเฉพาะสิ่งที่เขาอยากดูสิ่งที่เห็นชัดๆเขาก็เลือกที่จะหนีไป ในสุรทูลอัลกอชซีานี้พวกเราก็พูดถึงสัจธรรมที่มันจะต้องเกิดขึ้นเป็นศัจธรรมที่เมื่อถึงเวลาจะไม่มีใครที่หลงเหลือค้างแขงใจอีกเลยคือจะไม่มีใครสงสัยอีกว่าเอ๊ะจะมีโลกหน้าไหมไม่มีโลกหน้าไหมเพราะเมื่อเสียชีวิตทุกคนจะกระจ่างแล้วทุกคนจะกระจ่างแล้วเหมือนกับเคยมีคําถามนะครับของคนไปนเศึกศาสนานะครับที่เขาถามประมาณประมาณว่า ถามกับมุสลิ ม, มนะว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดคุณตายไปแล้วคุณพบว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกับที่คุณเชื่อคือเขาอยากจะย่อเยอ้ยมุสลิมบอกว่าเดี๋ยวถ้าตายไปแล้วไม่เจอจะรู้สึกยังไงก็มุสลิมท่านั้นนะครับก็ตอบชัดเจนดีนะครับผมเขาบอกว่ามันคงไม่มีทางจะรู้สึกแย่ไปกว่าคุณที่พบว่ามันเป็นจริงคือถ้ามันไม่เป็นจริงแล้วเป็นไงล่ะแต่ถ้ามันเป็นจริงล่ ไข่แกนแน่ที่จะเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวันเกียร์มาเนี่ยไปเรื่องอินมุลเลบผู้ที่จะเชื่อผู้ที่ศรัทธานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพวกลอสุบฮาห์นฮัวตาอัลาเท่านั้นซึ่งก็คือมุสลิมผู้ศรัทธาที่เราเชื่อมั่นตามที่พวกลอบอกถึงแม้เราจะมีสติปัญญาที่ตื้นเขินครับแคบแค่ไหนก็ตามแต่เราได้ พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วในสิ่งที่พระลอสสุบฮานตาได้บอกเรามาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ชัดเจนในการอยู่ของพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นที่เราพิสูจน์ไม่ได้เราก็เชื่อมัน่นเช่นเดียวกันเพรานั้นอโลเชียรครับชื่อหนึ่งของวันเกียมะอย่างที่บอกครับซึ่งสุรานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุราที่เริ่มด้วยกับคําว่าฮัลซึ่งเป็นคําถามซึ่งก็อย่างที่เราได้คุยกันครับว่าคําถามเนี่ย คนแรกที่ถูกถามก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล็อห์ของอิสลัมแล้วก็ทุกคนที่อ่านคำภีอัลกุรอานฮัลอตะตด้ก็ฮะดีซุลกอร์เชียเรื่องราวของกอร์เชียได้มาหาเจ้าแล้วใช่ไหม คำถามในกุรานไม่ได้ต้องการให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นคำถามเพื่อให้เราได้ไข่ควนแสดงให้รู้เรื่องที่พวกลอสซบพามตราจะเอามาพูดคุยนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ว่าส่งผลกระทบในวงกว้างเหมือนกับในกุรานครับพี่อื่นก็จะมีครับว่าไฮลาตาก่ในโบลคอสอยนิสโรตุนซอสพวกลอสก็บอกว่าได้มาถึงเจ้าเรื่องราวเรื่องราวของการที่คู่ที่มาทะเลาะบบาแหวงกันหรือว่าไฮลาตาก่ไฮลีส um ุมูซาในสระนาซีแอต เจ้าได้รับรู้เรื่องราวของมูซาแล้วใช่ไหมหรือ ว, ว่าให้อดุลลุกุมอิลลติจารตินใช่ฉันบอกพวกเจ้าไหมถึงการค้าขายที่ทำให้พวกเจ้ารอดพ้นจากการถูกลงโทษอันเจ็บแสบเจ็บปวดก็แปลว่าคำถามในอัลกุรอานนะครับพวกเราไม่ได้ต้องการจะได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วเจ้าจะรับมืออย่างไรมุสลิม เ, เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเราบอก อ่าล่าต่ก็หาดีสุดของอาร์เซียจึงเป็นการบอกให้เรารู้ว่าคุณคิดสิให้ควรสิถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะปกคุมทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างคือเป็นวันที่ว่าไม่มีทางที่ใครจะหนีรอดไปได้ไม่มีใครที่จะเด็ดรอดไปได้แล้วก็เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกลอสบาร์ตาลาสร้างนั้นเมื่อถึงวันอั ia, ร์เซียหลวันเกียมาเนี่ยทุกสิ่งอย่างจะถูกสร้างผื้นคือชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แม้แต่สิงสาราสัตว์ทั้งหลายทั้งปวกนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงเพื่อมีการตัดส่วนแล้วก็มีการไต่สวนในวันนั้นขบันกอเชียวันที่ว่าจะปกคุมพวกเราทุกคนพี่ต้องจิตการถึงสภาพความน่าสะพึงกลัวที่จะเกิดขึ้นซึ่งอัลกอเชียชื่อเนี่ยทาให้เราได้ตระหนักว่าในวันนั้นเนี่ยสภาพมันไม่ใช่สภาพที่เราจะมาชิวๆที่จะมาเล่นๆที่ว่าจะมีใครที่จะอยู่แบบนิ่งนอนใจได้ อย่ถ้าเกิดในดุนยานะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรถ้าเกิดเป็นคนที่รู้ตัวมาก่อนอาจจะไม่ค่อยสับสนอาจจะไม่ค่อยโกลธหลหรือคนที่มั่นใจว่าตัวเองรอดชัวร์เขาก็คงจะไม่แครแม่อะไรกับเหตุการณ์นั้นเหมือนกับบางทีเราได้ข่าวสงครามของพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเราจจะรับรู้ด้วยความรู้สึกแบบชิวๆเพราะรู้สึกว่ามันเลือไกลตัวหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของอุทุกภัยวาตภัยหรือว่าภัยพิบั ต, ติต่างๆแต่ตใดที่มันไม่เกิดขึ้นกับเราเรารู้สูกมันไกลตัวแล้วก็รรับบบู้แบบ ชิวๆแบบมีสติแต่กอชิยะเนี่ยครับชื่อนี้บอกให้เรารู้ว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะไม่เครียดเพราะอะไรครับเยามันแกเนชัระหมุสตาฮรอที่ประ ก, กร า, ราศในคุณหลานนรสิสโลตอินสันวันนั้นเป็นวันที่ความชั่วของทุกคนจะถูกตีแผ่อะไรก็ตามที่เราสร้นงเลนไว้อะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจของเรา ทั้งความคิดที่ดีทั้งความคิดที่ไม่ดีทั้งคำพูดที่ดีทั้งคำพูดที่ไม่ดีทั้งพฤติกรรมที่ดีทั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งที่เราโอ้อวดทั้งที่เราปกป้องทั้งที่เราสั่นเล้นทั้งที่เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวันนั้นเนี่ยเราจะตระหนักเราจะคิดออกหมดเลยถึงสิ่งที่เราทำมาในอดีตเยลมายักแชฮูลาดบูมิกินายตหสงกะบอกลไงครับในวันนั้นเนี่ย การลงโทษก็จะมาครอบคุมพวกเขามาจากเบื้องบนแล้วก็มาจากข้างล่างคือไม่มีทางหลบหนีได้ยิ่งนถะ้เป็นผู้เผยเสสธานี่ก็คือพูดได้แค่อย่างเดียวก็คือยาไลาต์จะมีคุณตุตรบาหวังเหลือเกินว่าฉันนั้นจะกลับไปเป็นดินหวังเหลือเกินว่าฉันจะกลับไปเป็นฝุน่นใครพูดล้อสร า, ก า, สราเก่าในสโลฮัตินียวกันว่ายาไอออนนาซู اتقوا ربكم إن زنسرة الساعة شيء عظيم يوم ترونها ت ذ ه ل كل مردة أما ل أرضات وتدع كل ذات حمل حملها و ت ر ى الناس س ك ا ر ة وماهم ب س ك ر ة ولكن عذاب الله شديد. ن س ر ة الحسن الله س ا ا س ا ي ن و ل أسرى أسرى القرآن. โดยปกต ن แ ق ن ว،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، วันสิ้นโลกที่ว่าชิวๆอยู่นะครับเป็นการชิวครั้งสุดท้ายแล้วของมนุษย์เนี่ยพระว่ากล่าวว่าไงครับชิวกันยังไงครับมนุษยชาติเอ๋ยเจ้าจงสํารวมตนต่อนายของเจ้าแน่นอนการสั่นสะเทือนในเวลาที่ถูกกาหนดไว้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งในวันที่เจ้าจะเห็นว่าแม่นมที่กําลังเลี้ยงให้นมลูกอยู่เนี่ยทอดทิ้งลูกโดยที่ไม่สนใจคือปกติแม่กลัวแค่ไหนต้องอุ้มลูกไปด้วย แต่เราคิดดูว่ามันจะเป็นความสะพรึงกลัวขนาดไหนกันที่ทําให้แม่ที่ให้นมลูกเนี่ยทิ้งลูกได้แทบจะเกินจินตนาการคือยังไงเราก็ต้องเห็นแม่อุ้มลูกแหละแต่พวกเราบอกว่าแค่วันสิ้นโลกนะแม่ที่ให้ลูกเนี่ยทอดทิ้งลูกเลยด้วยกับความหน้าสะพรึงกลัวของมันในขณะที่ใครก็ตามที่กําลังตั้งครันอยู่เนี่ยจะแท้งออกมาหมดเลย เมื่อเกิดความเครียดเมื่อเกิดความหวาดกลัวถึงขีดสุดคนที่ตั้งครรภจะทอ้อจะจะแทงลูกอันนี้คือแสดงถึงความหนักครับวัตระนาสุสก้ารอและจ้เจ้าพวกผู้คนเนี่ยอยู่ในสภาพที่มึนเมาแต่เขาไม่ได้มึนเมาแต่การลงโทษของโพลอนนั้นรุนแรงนี่คือแค่ออเดิร์เปิดแค่น้ำจิม้มในวันที่เรายังอยู่ในช่วงโลกดุนยาเนี่ย วันสุดท้ายของดุนยาจะเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการลงโทษที่พระลอสซุบฮานอตาจะลงโทษบุคคลที่ชั่วร้ายเหมือนกับที่ท่านนบีโมมัสลลอร์สระบอวันกียร์มัสจะเกิดขึ้นจับกลุ่มชนที่ชั่วร้ายที่สุดบนผืนแผ่นดินก็แปลว่าใครที่ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่เขาจะได้รับความเมตตาครั้งสุดท้ายในดุนยานั่นคือให้ตายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกเราพูดถึงวันสิ้นโลกครับเราพูดถึงวันสิ้นโลก และตอนเนี่ยในสุลต่านรัสเชียพวรสุบฮานหัวตาอัลาะกำลังพูดถึงวันกิยามะซึ่งสภาพมันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าวันสิ้นโลกครับพี่น้องพระองค์ได้กล่าวว่าในสรลต่านนี้คขาบว่าวูจูฮุยยาวมาอิดินฮาร์เชียในวันนั้นเนี่ยหลายใบหน้าจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ยอมจำนน ขอชืคือยอมจำนวนทำอะไรไม่ได้แล้วยอมจำนวนนะครับไม่ใช่ผู้ที่สารวมตนไม่ใช่ผู้ที่รักไม่ใช่ผู้ที่หวังต่ออัลลอฮ์อย่างที่เราทราบครับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เราจะมีอยู่สามอย่างความรู้สึกของเราที่มีต่อผัวลอสุบฮ า, า, านะูะตายนัาที่เรียกว่าตักวาเนี่ยเราจะมีความรักพระองค์เราจะมีความหวังต่อพระองค์แล้วเราก็จะมีความหวาดกลัวพระองค์แต่ วูจูฮุนคอเชียใบหน้าที่ยอมจำนนเนี่ยเขาไม่มีความหวังเขาไม่มีความรักเขามีแต่เพียงความกลัวที่มีต่อพว้องค์ลอสุบฮานหัวตาลนาะนี่คือใบหน้าของศัตรูของพระองค์ลอสสุบฮานหัวตาลนาะจากบรรดาผู้ไปเสษ ต, ต่างๆในวันกิยมามะเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วยอมจำ น, นนอย่างเดียวในดุ ญ, ญาเนี่ยฉันเล่นอะไรไว้เยอะฉันว่าอะไรไว้เยอะฉัน ปฏิเสธพร ะ, พะองค์เอาไว้เยอะแล้วฉันก็คิดว่าฉันจะไม่มีวันตายหรือฉันตายแล้วฉันจะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในความคิดของพวกเขาเหล่านั้นวัตราวุมยุรดูนาอเลห์ฮะขอชียีน่มินัดบุญเนสรชูรอปุก็กล่าวครับว่าเจ้าจะเห็นว่าพวก เ, าเขาเนี่ยถูกนํ า, า, ววาเสนอในวันนั้นในสภาพของผู้ที่ยอมจํานวนจากความต่ําต้อยไม่ได้รับเกียรติอะไร ขอเชื่อนอบบารุมตรหะกลัวหุละนรกวำพัก่าไว้เชกันคว่าขนั้นจะมีความการยอมจำนนใบดวงตาเขาจะมีความสะพึงกลัวอันเนื่องมาจากความอับปยที่รอพวกเขาอยู่แล้วก็ตัวตนของเขาที่อัปยครับบูจูฮียาวัยมสฟิราดาฮใกตุมมุสตับชีระเนี่ยนะครับผมในวันนั้นเนี่ยก็มีหลายใบหน้า วะนนั้นมีหลายไบนาครับก็มีใบหน้าที่ยอมอยอมจำนวนแบบว่าซิโดราบแต่โดยดีคือหืออะไรไม่ได้แล้วไอ้ที่เคยปากกล้าไอ้ที่เคยเรียนที่เคยอะไรคิอโลกหน้านี่คือจบแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีใบหน้าที่มีความยอมจำนวนในสภาพของผู้ที่มีความตักวาต่อพวกลอสุบะฮะในหัวตาละแต่นั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึงอายาหนั้น เราดูต่อครับผูจูเยาวไม้ินขอยาในวันนั้นเนี่ยใบหน้าต่างๆพากันยอมจำนวนอามีลาตุนนาซิบะสุบฮาลลอพี่น้องใบหน้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นใบหน้าของคนที่ตรากตำทำงานในดุญ y าอย่างเหน็ดเหนื่อยพี่น้องรู้สึกคล้ายๆกับที่ผมรู้สึกหรือเปล่าเอ ตรากตาทำทางานผู้เลาะใช้นะครับว่าในโลกหน้าเนี่ยใบหน้าของผู้ที่มีแต่ความกลัวต่ออัลลอฮ์คือไม่เหลือความหวังแล้วก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงความรักเลยเขาตป็นใบหน้าที่ผ่านการตรากตําทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาในดุ n y าตื่นมาก่อนทำงานถึงเวลาทําวันกท็ทั้งวันก่อนทำงานมีเงินมากกว่า จ, จะปนเปิดตัวเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็คือเป็นใบหน้าที่มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยคือต้องตุ้มเทียครับคือในดุ n y าอย่างที่พวกเราทราบก็คือชีวิตในดุ n y าเนี่ยมัน มันมันไม่ง่ายเลยจะกับมุสลิมหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมันไม่ง่ายมันเป็นชีวิตที่มีความเหน็ดเหนื่อยมันมีการได้รับมันมีการสูญเสียมันมีความสุขมันมีความทุกข์ซึ่งหลายคนก็มักจะคิดว่าความทุกข์เนี่ยมันมีเยอะกว่าความสุขซึ่งชีวิตเขาเนี่ยตรากตรำครับพี่น้องลองคิดถือดูคนเดือดร้อนหลายหคนที่เป็นผู้ไปเสดสธาต่อรอโลกเนี่ยเดือดร้อนสุดๆก็พยายามทุ่มเทกับชีวิตของเขาไป อ้มิลาตุนนาซีบาไปโลกหน้านี่คือสิ้นหวังและยอมจำนวนต่อร้อนเนี่ยฉันทุ่มอะไรมาบ้างเนี่ยฉันมัวแต่ห่วงเรื่องปากท้องฉันมัวแต่ห่วงเรื่องกินฉันมัวแต่ห่วงเรื่องลูกหลานฉันมัวแต่ไปวิ่งไล่ตามดาราฉันมัวแต่ไปนั่งฟังเพลงฉันมัวแต่ทำสิ่งที่อารอมฉันทำอะไรของฉันฉันเหนื่อยเพราะอะไรฉันเหนื่อยเพราะสิ่งที่มันไม่ยังประโยชน์อะไรแก่ฉันเลยอ้มิลตุนนาซีบา แต่แลเนรอนแฮมิเอะใบหน้าเหล่านั้นเป็นใบหน้า่ไงครับเป็นใบหน้าที่ว่ารอที่จะต้องไปเจอกับไฟนรกที่แผดเผาที่มันจะมาแนาบคับว่าไมยูริสอันดิกริร็บบิยัสลรคุอาดาบันสไอแดาที่มาร์กาเร็ในศูนย์จีนครับแล้วใครก็ตามที่ในดุนยาเนี่ย เขาผินห่างเขาออกห่างจากการคิดถึงพวกอื่าเหเขามัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับดุนยาเนี่ยเขาก็จะถูกนําพาไปสู่การลงโทษที่เจ็บแสบเหมือนกับคู่พระคู่นางครับถ้าเกิดในปัจจุบันเงเรียกเป็นคู่พระคู่นางลอแล้วสวยงามล่ํารวยมีอำนาจมีเกียรติยศฐานะก็ดีตระกูลก็สูงเป็นคู่ที่เพียบพร้อมแล้วอยู่คู่กันใครๆก็อิจฉาคู่ไหนครับอบูละฮับกับอุมูชามิน เพื่อพร้อมพี่น้องคิดเลยพี่น้องเอาดาราคนไหนมาก็ได้ผู้ชายผู้หญิงมาเนี่ยอบูระฮับกับอุมูจามีนนี่คือแบบแนวหน้าเลยแล้วไม่ใช่มีแค่หน้ามีแค่ตามีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเกียรติยศตระกูลกระสูงอีกทั้งหากทรัพย์สินก็รวยมากๆแล้วผลเจิดอะไรขึ้นครับวามราตูทำมาล้แต่ละ ต, ลตผลสุดท้ายก็ภรรยาของเขาเนี่ยที่ต้องเป็นคน จากในดุนยาเนี่ยช่วยกันส่งเสริมและเกินในสิ่งชั่วๆไปโลกหน้าก็ต้องส่งเสริมกันในเรื่องของการลงโทษต่างฝ่ายต่างเป็นเหตุเพิ่มการลงโทษให้แก่กันและกันนารุนหามยาไฟที่ว่านาบนะครับนารุนลอยมู่ก็ได้ที่พระกาลนก็อ่านเช่นเดียวกันในสุรภุมัสะไฟที่ว่าถูกจุดมาอย่างที่เราทราบไฟนรกถูกจุดมาพวกเราใช้เวลาปานนี้ับไฟนรกทุกสรรพสิ่งพวกเราบอกว่าจงเป็นมันก็เป็น แค่นั้นพริบตาเดียวแต่กับไฟนรกเนี่ยในฮะดีซีท่านอับดุลเบี๋ยมูลัมหมัดสุลตานบอกเราว่าไงครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพวกเราชเวลาสามพันปีจุดไฟนรกหนึ่พันปีจุดไฟนรกขึ้นมาให้ร้อนแรงอีกพันปีจุดจนมันกลายเป็นสีขาวแล้วก็พันปีที่สมเนี่ยจุดจนมันกลายเป็นไฟนรกที่มีสีดําซึ่งมันเกินจินตนาการครับไฟนรกที่เป็นสีดําเป็นยังไงไม่มีใครคิดออก สีขาวพอจะคิดออกอาจจะเป็นใจกลางดวงอาทิตย์15ล้านองศาอาจจะเป็นสีขาวแต่ไฟในดุนยาทั้งหมดไม่มีไฟไหนที่เทียบเท่ากับไฟนรกได้เพราะนๆพวกเล็กๆสั้นๆครับใบหน้าที่เด่นเื่นในดุนยาใช่ไหมถึงเวลาต้องไปยอมจำนนต่ออัลลอฮ์นะแล้วบั้นปลายที่รอใบหน้าเหล่านี้ก็คือไฟที่มันจะแผดเผาที่มันจะนบหนารนตาลวเวอร์หรือว่าไฟต่างๆที่พเพร่อธิบายไว้ เวลาพูดถึงไฟนรกวัวลอมมักจะอธิบายด้วยกับคำคำเดียวแต่มันเป็นคำคำเดียวที่ว่ามันสยองนะครับไม่ใช่แค่การลงโทษในเรื่องของไฟนรกตุสกอมินไอนินานียแล้วเขาก็จะถูกบังคับให้ดื่มตุสกอนี่ถูกบังคับให้ดื่มนะถูกบังคับให้ดื่มอะไรครับ ไอ้นินตาน้ำทานน้ำโอ้มีตาน้ำให้กินด้วยอย่างนั้นหรกอานิยเป็นตาน้ำที่เดือดพล่านใช้คำว่าเดือดพล่านเดือดละลายอ่ะครับพี่น้องเลยซาละหุมต่ออาหมุนอิลลามินดารยะอ่ะโอเคที่พันักรู้แล้วเครื่องดื่มมีไหมมีให้แล้วก็รู้แล้วเลยซาละหุมต่ออาหมุนอิลลามินดารยะ แล้วเขาก็ไม่มีอาหารอื่นใดให้กินนอกจากดอริยดอริยครับถ้าเกิดเทียบเป็นต้นไม้ที่มีหนามแทบเทียบกับดุนยานะมีหนามแห้งแล้วก็มีสารพันเป็นพิษบางคนบอกว่าน่าจะคล้ายพืชที่จัดอยู่ในตระกูลอโนนิสคําว่าดอริยะเนี่ยแหละครับผมก็ว่าลอฮุตาละอาลามแต่แน่นอนครับในนรกเช่นเดียวกับในสวรรค์ชื่ออาจจะมีบางอย่างชื่อเหมือนกับดุนยา เช่นผลไม้ในสวรรค์มีรนาผาลำมีอ ง, งุ่นมีอะไรในที่ชื่อคล้ายกับดุนยาแต่ว่าแตกต่างกันอย่างเทียบกันไม่ติดแตกต่างกันแบบมหาศาลอันนี้ชื่อเหมือนกันดาเริยแต่ว่าเป็นตารียของนรกที่ว่าเป็นหนามที่กินแล้วเมื่อเข้าไปในปากอ่ะเพราะาสรุปสรุปไว้วักเดียวว่า ละยุสมินุวะละยุคนี้มินชัวอาหารที่ว่านี้เป็นอาหารที่กินแล้วไม่ทําให้อ้วนนะคืออาหารที่กินได้อ้วนคืออาหารที่กินแล้วมันมีพลังงานถูกไหมครับกินแล้วเราก็ได้พลังงานพอพลังงานเยอะๆก็ทําให้มีเนื้อมีน้ํามีหนังมีเนื้อมีนวนได้แต่พระรับอกว่ามันไม่ได้ให้พลังงานเลยเวลายุคนีมินชัวแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยลดความหิว ต้องเนียพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการเกินของเกินของเกินจินตนาการเราคิดออกไม่ว่าความหิวโหวยเจียนตายนี่ยมันเป็นยังไงยากครับที่เราจะคิดออกว่าหิวจนเกือบตายเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าหิวจนตายอ่ะคิดออกไหมยิ่งคิดไม่ออกสมมุติว่าความทรมานของคนเราจะตายเมื่อหิวถึงระดับสิบผมยกตัวอย่างที่เฉยเลยครับ ชาวนรกเนี่ยเขาใจหิวจนถึงระดับที่สิบคือระดับที่ต้องตายแล้วแต่เขาไม่มีวันตายนี่คืออยู่เฉยๆไม่ต้องเดินไฟนรกไม่ต้องมีน้ำเดือดแค่ถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพที่หิวจนถึงสภาพที่หิวจนตายแต่มันยันไม่ตายแล้วมันก็จะหิวเยอะกว่าที่จะต้องตายอีก มันจะเป็นความหิวขนาดไหนเพราะหิวหิวถึงขั้นว่าไม่สนว่าจะเป็นต้นหนามไม่สนว่าจะเป็นน้ำเดือดไม่สนว่าจะเป็นน้ำหนองคือมันต้องกินคือมันหิวมันทรมานสุดๆแล้วพอกินปุ๊บไอ้ที่กินเข้าไปก็กลับเพิ่มความทรมานอีกเป็นน้ำเดือดเป็นหนามที่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บเป็นหนามที่มันแทงทะลุออกมาทั่วล่างแล้วผลสุดท้ายมันก็หิวอยู่ดีมันก็ต้องกลับไปกินอีก วลายุคนี้ชวนี่คือสภาพที่รออยู่ของวันอัลออินนาลาินรอิรชูนขอพระลอคุมองพรไวรอดผลจากการถึงรุ่นจีบแสบทั้งในหลงศพและในไฟนานอกครับอายะต่อมาครับพระลอพูดเมื่อมีการตาหิีพรลอกตาร์กีดเมื่อพูดถึงการเตือนให้ระวังพูดถึงสิ่งที่น่าสะพึงกลัวพวระลอคก็พูดถึงความผาสุกพูดถึงความสุข บูจูฮุยเยาไมา่ดินนาอิมาเช่นเดียวกันครับเมื่อในวันนั้นนะ่ยมีหลายใบหน้าที่เป็นหลายใบหน้าที่ยอมจำนนก็จะมีอีกหลายใบหน้าเช่นเดียวกันที่อยู่ในความผาสุขอยู่ในความสะดวกสบายอยู่ในความสุขขอลหให้พวกเราเป็นอย่างในนั้นเช่นเดียวกับที่รักการนึกกลาครับบูจูฮุยเยาไม่ดินนาดิรออิลาล บ, บิฮานาดิร ในสลักยรมาหลายใบหน้าจะมองไปยังพวกวิบาลของมันโดยมีใบหน้าที่ผ่องใสครับจากสํานวนเรารู้ได้เลยว่าใบหน้านี้บูจูเยอมมิจินนาอีมะหลายใบหน้าที่มีความอิ่มเอิบที่มีความสุขแต่ว่าในสภาพความสะพึงกลัวเนี่ยเมื่อเขาผ่านพ้นจุดนั้นไปแล้ว คือแน่นอนครับช่วงก่อนการสอบสวนทุกคนตื่นตระหนกทุกคนมีความหวาดกลัวแต่เมื่อใช้คําว่ายามาอิดินนาอิมาใบหน้าที่ได้รับความปวดปลานเนี่ยอันนี้คือสภาพของใบหน้าของผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ผู้ที่ได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับความสุขอย่างแท้จริงที่ดุนยาเนี่ยเทียบไม่ได้เด็ดขาดเลยใบหน้าเหล่านี้เป็นไปได้ายัางไงครับ ในดุงยาเรามีโอกาสไหมในดุงยามีโอกาสครับผมใบหน้าที่รับความปวดปลานเนี่ยเหมือนในฮะดิษในเรื่องคว่ามุสลิมครับที่ท่านยบีมูฮัมมัดสลุลามบอกว่าไม่มีใครที่รวมตัวกันในบ้านหนึ่งบ้านใดขององัลลอฮ์ที่ทําการอ่านคัมภีร์ของพระองค์ทําการศึกษาคัมภีร์ของพระองค์เหมือนเราตอนนี้ที่เรากําลังพูดคุยทําการศึกษาอัลกุรอานอยู่อิแ ล, ละนซารัตอะลีมุสักกี้นะีจะมีความสงบนั้นถูกประทานให้กับพวกเขา ความเมตตาจะถูกขอหุ้มพวกเขามาลาิก้าจะมาโอบกอดพวกเขาแล้วพวกล้อก็จะเอาพวกเขาเนี่ยไปพูดถึงกับกลุ่มที่อยู่กับพระองค์ท่านอ บ, บีกล่าวต่อครับมันอัปต์อาบิฮิอา ม, มารุลนำยุสลิบีนะซ บ, บุใครก็ตามที่ล่าช้าในการทําเชื้อสายที่สูงสง่งมันไม่ช่วยอะไรเขาได้เลยอันนี้อยู่ในพฤติกรรมมุสลิมก็แปลว่าพวกเรานะครับหลายคนก็มีหน้าที่ มีความสุขได้ตั้งแต่ในดุนยาเป็นอาลามะเป็นหนึ่งในอารามะสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบุคคลที่ลอสจะรักนั่นก็คืออลัลกรุรอานกลุ่มชนที่รักอัลกุรอานของผู้ลอรักคําพูดของผู้ลอทําการท่องจําทางการเรียนรู้ทําการอ่านทําการศึกษาซึ่งก็หวังเหลือเกินจากพวกลอสุบฮานูรตาระ ว, ว่าให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่มีใบหน้าที่ผ่องใสที่ได้รับความผาสุกทั้งในดุนยาแล้วก็อาคีรอ ห u วจูหุยยาวไม่ดินน اع มะลีสายิ่งหาเราิยเขามีความพึงพอใจกับสิ่งที่เขาได้ขนขวายเอาไว้ในดุนยาตรงข้ามกับเมื่อกี้นะพี่น้องในกลุ่มแรกพราะเราบอกไงนะครับมิลาตุนนาซีบาเป็นกลุ่มชนที่ว่เน็ตเนื้อตากตามมาในดุนยาแล้วมันก็ไร้ประโยชน์มุสลิมเราเหนื่อยไม่ในดุนยาเราเหนื่อยครับแต่พวาเราบอกไงครับ ลี๊ซ้าอ้ยี่รบดียะมันเป็นความเหนื่อยที่ว่าเมื่อถึงเวลาเราไปถึงวันเกียร์ไมเรามีความภูมิใจเรารู้สึกปลื้มปิติยินดีที่เราได้ผ่านความเหน็ดเหนื่อยเหล่านั้นแน่นอนมันทรมานผมไม่ได้บอกไม่ทรมานมันทรมานเพียงแต่ว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตซึ่งมันเป็นอดีตที่เรายอมเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้อัลอลักเหนื่อยๆมากหลายอย่างในการมีชีวิตในการสูญเสียในการได้รับในการกลัวนสรชุ ม, มะเะ ว, ะาว่าก่าครับยาอฮลดีนอะามนูอิดานดรีริาติมิยอมิชุมอิดดิกลิลาวะุลบ า, าลิกุมลุลกุมอินกุตุมตอลามุนนี่คือสภาพของมุสลิมครับเพราะว่าบอกไงในนะเมื่อถึงวลาวันศุกรนะ์นมีการเรียกร้องไปละหมาตชุ ม, มะนะเจ้า ก, ก็จงเร่งรีบ เพื่อไปทําการให้ควรคิดถึงออาเนาะจงละทิ้งการค้าขายมันดีกว่าหากว่าเจ้าจะรู้ในรุ่นใหนี้เราก็ต้องคิดว่าการค้าขายดีกว่าสิมันได้เงินเราทําอะไรดีเยอะยะเราสร้างบ้านเราไปเที่ยวเราทำอะไรสารพัดบางทีพอได้เสียงอาจารยปุ๊บโอ้อาจารย์อีกแล้วเลยต้องละหมาดอีกแล้วเลยแต่จริงๆพวกเราบอกไงครับเดลิกุมค่อยรุนแลกุมอินกุลตุมตะละมูน่นมันดีกว่าสําหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเน้นจะรู้ ครับลิซาย่ฮะในความพยายามเนี่ยรอเดียเรามีความพึงพอใจความพยายามนะั้นพวกอกล่าวไว้ในหลายที่ในกุรานหนึ่งในนั้นก็อในสุรานชพวกลกล่าวว่าไงครับว่าอัลละลิลอินซานอิลลามซวอันมะซะเยห์ سوف يرى ثم ي ีนมุพวกล้กล่าวว่าไงครั บ, นรนรรบมนุษย์นั้นเขาจะไม่ได้รับนอกจากที่เขาได ขวนขวายเอาไว้แล้วสิ่งใดก็ตามที่เขาขนขวายเอาไว้เขาจะได้เห็นมัน่นแล้วเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสาหรับผู้ศรัทธาการตอบแทนคืออะไรครับหลังจากที่วาริซัฮะรอดียฟีเจนเนตินอาลียอยู่ในสวรรค์ที่สูงส่ง ที่พวัวลอสุภาหัวตาลาเก่าไว้ครับว่าจงเร่งรีบสิมาสู่ความดีงามมาสู่การทำตัวให้อบล้อรักเพื่อที่จะได้รับสวรรค์ที่ความกว้างใหญ่ของมันนั้นกว้างใหญ่ยิ่งกว่าฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดนี่คือความพยายามที่น่าพึงพอใจที่พวัวลอสุภาตาลาเก่านี้เอ่ามูลนธิว่าก็ต่อฟลู้มุมนอนอื่นทีอยู่ในสุนัขของฉัน وال الذين هم أنلاق ومؤردون وال ذ ي ن هم للزجات فاعلون بجث أجثؤلائ كهم ا ل و ا อ س و ن الذين يرسون ا ل ف ر د و س ه เพรลละะะาะว่าเ ก, ลลก่างครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาได้รับความสาเร็จแล้วความสาเร็จยังไงครับตอนนี้บางคนบอกฉันยังไม่ได้เลยนอาจารย์ฉันเดือดร้อนจรมามน เพรเราบอกว่าได้รับแล้วแปลว่าจะได้รับแน่นอนใครคือผู้ศรัทธาที่ได้รับความสําเร็จแน่นอนคนที่พูดเก่งๆแล้วทําธุรกิจเก่งๆแล้วหรือว่ายกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเลยไม่ใช่อันลยดีนะฮุมฟีซาลาติมคอชุนคนที่เวลาละหมาดเนี่ยเขาละหมาดไม่ใช่แค่ละหมาดนะละหมาดในสภาพของผู้ที่มีความยำเกรงวันเลยดีนะฮุมอานิลลักวิโมริโดน เขาคือบรรดาผู้ที่ว่าพอเจอสิ่งที่ไร้สาระปุ๊บเขาก็ออกแหงอัลเลดีนะฮุมริซกาติฟาอิลูนถึงเวลาก็มีการช่วยเหลือผู้อมีการใจสกาดไปถึงอายาที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นแหละที่จะได้เป็นทายาทผู้สืบทอดสืบทอดอะไรสืบทอดอำนาจเหรอสืบทอดความมั่งคั่งเหรอสืบทอดอะไรพี่น้องคิดอะไรออกอัลเลดีนะยาริซูนเฟิดดาสุมฟิอาคอยดูนผู้ที่เขาจะได้สืบทอด สวรรชั้ฟิลด์ดาวชั้นสูงสุดซึ่งเขาจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลครับผู้เล่าก่าวไว้ว่าไงครับในสุรัสุกฤกษกับในสรัสัจจะวฟีแฮมาต์ชตฮีฮีอลลุสว่ตลัดุลอัยุนว่อันตุนฟีแฮขาริยุนกฟลาตาลมนับซุลมาอุฟยาลุมมินกูรติอัยุนจะเอัลบีมาการุยาเมุ่าวไครับ ไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้หรอกว่าอะไรที่ถูกเตรียมไว้ให้แก่เขาอะไรที่ถูกซ่อนเตรียมไว้ให้แก่เขาจากสิ่งที่มันเป็นแก้วตาดวงใจดูแล้วมันสร้างแต่ความปิตินี่คือการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้ทำเช่นเดียวกันกันกบที่ว่าบอกว่าในสวรรค์นั้นจะมีแต่สิ่งที่ใจนั้นพึงพอใจตานั้นรู้สึกพื้งปิติที่ได้มองแล้วเจ้าจะอยู่ในนั้น ตลอดการเพราะว่าก่คุณนักษะอีกหนึ่งคุณนักษะหนึ่งว่าลรตเม้าฟีเฮแรเงียในนั้นเนี่ยจะไม่มีใครทีเรื่องไร้าสาระไม่มีการโกรหกไม่มีการหลอกลวงมันมีการลินท้าไม่มีเรื่องไร้ๆเลยชีวิตหรือโลกที่ไม่มีข่าวร้ายอ่ะพี่น้องมันจะเป็นยังไงอะ่ะโลกที่ไม่มีข่าวชั่วร้าย โลกที่ไม่มีคําพูดที่เลเวร้ายให้เราฟังไม่มีคําด่าไม่มีคําสาปแช่งไม่มีคํานินทาไม่มีอะไรไม่ดีเลยลาเตสมาฟฟีฮะลากียแม้แต่สิ่งที่ไร้สระหรือว่าอะไรไม่มีอะไรเลยเหมือนกับในสรุรัสทุบแลรกวุนฟีฮะเวลาจะอซิมอะไรที่ฟังแล้วมันตะขิดตะขวงใจที่มันชั่วที่มนานไสาระไม่มีลายเสมาอูนฟีฮะรักวนอิลลาส า, าสระม่ในสุรามันพากเราบอกว่าจะได้ยินแต่สิ่งที่ ฟังแล้วมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสบายเป็นสิ่งที่สบายใจที่ได้ฟังอินล็กี่แล้วสแสละมันสแนสละมาในสว์ากี้นอกจากจะมีการพูดคุยว่าสันตินะปลอดภัยนะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่มีความเจ็บไข้แล้วไม่มีความปวดร้าวไม่มีความหวาดกลัวไม่มีอะไรให้ต้องกังวลครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ สุรรัตอัลลอชิยาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็อยากได้รับคอมเมนต์นะครับก็สนเสนอแนะจากพี่น้องนะครับว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้พี่น้องโอเคไหมหรือว่าชอบแบบเดิมแบบเดินนี่คือแต่ละอายะเราก็จะวิเคราะห์กันเยอะหน่อยสูรราตหนึ่งก็อาจจะหลายตอนอาจจะมากกว่าสิบตอนขึ้นไปแต่ถ้าแบบที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็สูรรัตหนึ่งอาจจะสองตอนสามตอนหรืออาจจะหนึ่งตอนก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอาคุยกันทาง บอกทางข้อความฝากข้อความมาได้ครับผมเผื่อที่ว่าเราหวังว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดและหวังว่าผมจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมขอบคุณพี่ น, นี้ที่สละมาครับก็วารินุสละโมาตุลลอห์วะบรารักาตุเช่นเดียวกับคุณลูนนที่สละมาก็วารินุสละโมาตุลลอห์วะบรารักาตุขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ครับเราน่าจะได้กลับมาพบกันอีกสําหรับวันนี้น่าจะคุยกันแต่เพียงเท่านี้ครับอกูลลุุาาววัส ว ا وال ل ล س ا ئ ل المسلمين من كل دم س ق ر ه إنه والقفور الرحيم سبحانه و ت ا ل الحمدك أشهد أ لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته